พระสุตันตปิกคุธการนิการขควิสานสูตรที่สข้อสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลวางอาจยาในสัตว์ทั้งปวงแล้วไม่เบียดเบียบนบรรดาสัตว์เหล่านั้นแม้ผู้ใดผู้หนึ่งให้ลำบากไม่เพ่งปรารถนาบุตรจะเพ่งปรารถนาสหายแต่ที่ไหน ถึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกฉะนั้นอันนี้เป็นคาถาที่ครั้งแรกพระประเจ ก, กัะพุทธเจ้าท่านกล่าวครั้งที่สองพระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้พระ น, น์ฟังครั้งที่สมพระนน์กล่าวเมื่อคราวทําสังขยนาเนี่ยนะในอัตถคถากล่าวถึงเหตุเกิดของพระสูตรดังต่อไปว่าพระสูตรทั้งปวงเนี่ยนะมีเหตุให้เกิดขึ้นอยู่สประการ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 เลีกเล่นอยู่ก็ได้เกิดความพริวิตกขึ้นในใจอย่างนี้ว่าความปรารถนาและอภินิหารย่อมปรากฏแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายหาปรากฏแก่พระสาวกทั้งหลายแก่พระปัเจกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างนั้นไม่ฉะนั้นเนาเราพึงเข้าไปเฝ้าทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าดูตามเรื่องเนี่ยท่านบอกว่าพระอา น, นุ์ผู้มีอายุ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 พุทธวงศจริยาปิฎกเรื่องเหล่านี้มีอยู่แล้วทำให้เห็นความปรารถนาะการปฏิบัติการสร้างบารมีเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ของพระประเจกับพะพุทธเจ้าทั้งหลายไม่พบเลยว่าพระประเจกเนะี่ยท่านตั้งความปรารถนาะสร้างบุญญาบารมีอย่างไรจึงได้เป็นพระประเจกพะพุทธเจ้า พ, พระสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรพระโมกขลานะก็เหมือนกันไม่รู้ว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยนะ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 ตรัสรู้ได้เร็วพลันแม้กระทั่งเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้า น, นะถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเขาย่อมเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าในภายหลังอันนี้ก็คืออา น, นิสงส์งของการปฏิบัติในสมถะและวิปัสสนาเป็นอย่างดีหวังผลได้เลยข้อหนึ่งสามารถบรรลุอรหัตผลในชาตินี้นะขอให้ปฏิบัติจริงเหรสองถ้าไม่ได้บรรลุอรหัตผลตอนนี้ตอนเป็นหนุ่มเป็นอะไรเนี่ยก็นหนักเกือบตายเนี่ยนะ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 ให้ตั้งความปรารถนาก่อนเท่ากับคําสั่งเลยใช่ให้ตั้งความปรารถนานะไม่ใช่ว่าตําแหน่งตําแหน่งจับฉลากกันได้ไม่ใช่อ่ะนะตำแหน่งพุทธตำแหน่งพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดจากการจับฉลากอ่นะถ้าสารีบทพระโมคขาลานะก็ไม่ได้เกิดจากการจับฉลากแม้อยู่ครั้งหนึง่งสมัยที่พระพุทธเจ้าแต่งตั้งพระสารีบทพระโมคขาลานะว่าเป็นอัครสาวกเนี่ยนะเขามีบางกลุ่มตำเหนีว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่น้า ไม่ได้แต่งตั้งตามลําดับที่ควรจะเป็นก็กว่าทําไมไม่แต่งตั้งพระอั ญ, ญโยกอัญญาโกณทัญญะล่ะท่านบรรลุคนแรกอบอกถ้าไม่ตั้งพระอัญญาโกณทัญญาบอกว่าปะมหานามาภัติยะอัศชีสิอ่าทาไมแต่งตั้งท่านเหล่านั้นทําไมไม่แต่งตั้งพัทวัคคีทั้งสามสบไม่แต่งตั้งพัทวัคคีแล้วทําไมชดินสามพี่น้องบริวารทั้งพันหนึ่งน่าจะเอาองค์ใดองค์หนึ่งหรือสององค์มาตั้งอะ่ะนะ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 อัญญาโกนธัญญาก็ตั้งความปรารถนาเป็นรัตตันยูตราสรุก่อนเพื่อนพระอัศสชีเป็นต้นก็ตั้งความปรารถนาขอให้สำเร็จอรหัตผลเท่านั้นเองแม้แต่ยศกุลบุตรก็ตั้งความปรารถนาก็ได้สมความปรารถนากันหมดแล้วสารีโตรกบโมฆลานะท่านตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นอัคระสาวกเป็นต้นนะนะ นี่ก็พันต้องตั้งความปรารถนานะจึงจะได้บางอันแปลว่าไม่ได้เกิดจากการจับฉลากอะไรนี่นะแต่งตั้งตามเหตุในอดีต ท, ท่านพระนน์ก็ทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนอนอน์ความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรนานโดยกำหนดอย่างต่ำที่สุดนับตั้งแต่วัน วันได้รับพุทธภยาเนี่ยสี่อสงไขยเศษอีกแสนกับอย่างกลาง8อสงไขยเศษอีกแสนกับอย่างสูส16อสงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีสามประเภทสามประเภทนั้นรู้ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าที่สอสงไขยแสนกับผู้ปัญญาที่กับยิ่งด้วยปัญญานะ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 ส่วนวิริยะที่กะศรัทธาไม่มากปัญญาก็ไม่มากแต่ขยันมากทำได้ทำได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะพวกนี้ก็ใช้เวลาสูงสุดเนี่ยนะอีกเท่าตัวของผู้ที่มีศรัทธาก็คือจากแปดก็เป็น16อสงไขยเศรอีกแสนกับเนี่ยอุ้ยนานจังเลยนานไหมพวกที่ไม่ได้ปรารถนาเนี่ยนะก็ทนทนทนไม่รู้กี่ล้านอสงไขยแล้วก็อยู่ได้ตามเดิมเนี่ยนะ มันอย่าไปคิดว่าโคนที่ตั้งความปรารถนามันนานเกินไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ได้นานอะไรหรอกถ้าเทียบกับคนที่เขาฝ้าวัดตาเนี่ยนะไม่ได้ตั้งความปรารถนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้กี่ล้านองค์ตัวเองก็อยู่เหมือนเดิมนี่แหละ น, นะไม่เห็นว่ามันบ่นมันนานอะไรเนี่ยนะ <S <S ทีนี้ในสี่อสงไขยแสนกับ8อสงไขยแสนกับ16อสงไขยแสนกับเนี่ยนะถ้าใครที่ตั้งความปรารถนาบอกว่าจะให้ทานเหมือนกับพระเวสสันดร บอกว่าจะเร่งเร่งเร่ ง, รงอยากาให้มันบรรลุผลเ ร, เ, รเร็วเร็วเร็วนี่ยนะก็เลยให้ทานเช่นกับทานของพระเวสสันดรทุกๆวันสั่งสมบัติรรมีบมีศีลเป็นต้นให้สมควรแก่ยาณ น, นั้นก็ดีให้ทานเนี่ยให้อย่างาพระเวสสันดรทุกวันทุกวันรักษาศีลเอาเป็นเอาตายเลยนะถ้ายังไม่ครบสี่อสงไขยแสนกับแล้วจักเป็นพระพุทธเจ้าในระหวางนั่นไม่ใช่เหตุฐานะที่จะมีได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้หรอก